การบูชาในพระพุทธศาสนามีการบูชาอยู่สองแบบด้วยกันคือหนึ่งอามิสบูชาและสองปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นส่วน การบูชาแบบปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติตนตามตามคำสั่งคำสอนของผู้ที่เราบูชานี่คือวิธีการสร้างมงคลให้แก่ชีวิตมงคลคือความสุขความเจริญทางจิตใจไม่ได้เป็นความสุขความเจริญ ทางลาบยศทรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสบางท่านอาจจะเข้าใจผิดพอพอทำการบูชาแล้วยังไม่รวยยังไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็จะผิดหวังจากการบูชาแต่ความจริงการบูชานี้ไม่ได้ให้ล่ำให้รวย ให้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ให้มีความสุขใจสบายใจให้มีจิตใจที่สูงขึ้นสูงจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลนี่คือผลของการบูชาอาบิสบูชาและปฏิบัติบูบชา เป็นการสร้างมงคลให้แก่ชีวิตสร้างมงคลให้แก่จิตใจสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับจิตใจไม่ได้สร้างความเจริญทางลาบยศสารเสริญไม่ได้สร้างความสุขทางรูปเสียงกลพพิ่นรสผลตภะขอให้เราทำความเข้าใจไว้ เราจะได้ไม่ผิดหวังเวลาที่เราทำการบูชาไม่ว่าจะเป็นนามิสบูชาหรือปฏิบัติบูชาเราทำเพื่อความสุขความเจริญของจิตใจของเราจิตใจของเรานี้มีการเจริญนั้นมีการเสื่อมได้การเจริญการเสื่อมของจิตใจ ก็เกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจของเรานี่เองถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราจเจริญสูงขึ้นเราก็ต้องกระทําความดีต่างๆถ้าเราไม่ต้องการให้จิตใจเราตกต่ําเราก็ต้องระงรับการกระทําความไม่ดีต่างๆเพราะ การกระทาไม่ดีการทำบาปทำกรรมเป็นการดึงจิตใจให้ลงต่าการทำความดีการทำบุญเป็นการดึงจิตใจให้ขึ้นสูงนี่คือกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่งและนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเรา เป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษาพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนครูเหมือนอาจารย์ที่จะมาสอนมาบอกให้เรารู้จักเรื่องของการเจริญและการเสื่อมของชีวิตของเราของจิตใจของพวกเราว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรดังนันจึงสอนให้เราทําในสิ่งที่ ทำให้เกิดมงคลแก่ชีวิตของเราเช่นการปฏิบัติบูบชาเช่นการบูชาที่มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันอามิสสบูชาบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเครื่องหอมเครื่องสักการะต่างๆดังที่เวลาเราไปวัดเรามักจะเตรียมของบูชากันไว้เตรียมทูบเทียนดอกไม้ เพื่อบูชาพระพุทธรูปบูชาพระสงฆ์ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นครูอาจารย์ของพวกเราหรือถ้าอยู่ที่บ้านเราก็บูชาบิดามารดาของเราก็ได้ถ้าเราอยากจะบูชาอยากจะยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นบูชากับบิดามารดาของเราก่อน บิดามารดาของเราก็เป็นพระอาหารหันต์ของลูกๆของพวกเราการได้บูชาบิดามารดาก็ถือว่าได้บูชาพระอาหารหันต์พระพรหมบิดามารดาเป็นผู้อาจารย์คนแรกของพวกเราพวกเราเกิดมานี้ต้องมีอาจารย์สอนสอนให้พูดสอนให้กินสอนให้ดื่ม สอนให้เดินสอนให้ยืนสอนให้ทำอะไรต่างๆใครเป็นอาจารย์ของเราคนแรกก็พ่อแม่ของเรานี่เองท่านเรียกว่าบุปาอาจารย์อาจารย์คนแรกหรือคู่แรกของชีวิตของพวกเราคือบิดามารดาของพวกเราเราจึงควรบูชาบิดามารดา เพราะท่านให้ความรู้กับเราท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราถ้าท่านไม่สอนเราเราก็อาจจะเป็นคนใบ้ก็ได้ถ้าท่านไม่สอนให้เราพูดเราก็อาจจะพูดไม่ได้ถ้าท่านไม่สอนให้เราเดินเราก็อาจจะเดินไม่ได้นี่คือพระคุณของบิดามารดาของพวกเรา เป็นผู้มีพระคุณอย่างมากสำหรับพวกเราเพราะถ้าไม่มีบิดามารดาพวกเราจะออกมาไม่ได้ออกมาในโลกนี้ไม่ได้จะมีร่างกายที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ไม่ได้ร่างกายที่เรามีอยู่นี้เป็นร่างกายของพ่อแม่ของเรายกให้เรามา แล้วก็สอนให้เราใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์สุขกับเราสอนให้เราทำอะไรต่างๆให้รู้อะไรต่างๆที่ควรจะรู้สอนตั้งแต่เป็นทารกขึ้นมาพอโตขึ้นก็ส่งไปเรียนต่อตามโรงเรียนต่างๆ ครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนก็เป็นอาจารย์ที่สองของพวกเราแล้วก็ไปวัดไปกราบไปกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระอาจารย์ของพวกเราอีกอีกกลุ่มหนึ่งพระอาจารย์ทางโรงเรียนสอนวิชาความรู้ทางโลกวิชาธรรมะหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเรียนจากโรงเรียน จากครูอาจารย์ในโรงเรียนส่วนวิชาทางธรรมวิชาที่จะสอนให้เราจเจริญรุ่งเรืองในทางจิตใจเราก็ต้องไปเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือบุคคลต่างๆที่พึงบูชาที่เราพึงบูชา บูชาที่สมควรต่อการบุคคลที่สมควรต่อการบูชาได้แก่ บ, บิดามารดาครูบาอาจารย์และพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้มีพระคุณมากกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เพราะคุณประโยชน์ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะสอนให้เราได้รับนี้เป็นคุณประโยชน์ที่มีคุณค่ามากกว่าคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบิดามารดาหรือจากครูบาอาจารย์ในโรงเรียนเนะพราะความรู้ทางธรรมเป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทางโลกนะ ความรู้ทางโลกสอนให้เรารู้จักเลี้ยงดูร่างกายของเราให้ร่างกายของเราอยู่เย็นเป็นสุขแต่ไม่สามารถสอนให้จิตใจของเราอยู่เย็นเป็นสุขได้ถึงแม้จะเรียนจบปริญญาเอกจิตใจก็ยังถูกความทุกข์ลุมเล้าอยู่ได้ตลอดเวลาแต่ความรู้ทางธรรมนี้จะสอนให้เรา ได้มีความล่มเย็นเป็นสุขทั้งทางร่างกายและทางจิตใจร่างกายก็สอนวิธีเลี้ยงดูร่างกายแบบเรียบง่ายแบบไม่วุ่นวายแบบไม่ยุ่งยากแล้วก็สอนวิธีเลี้ยงดูจิตใจให้อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่าง พระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นพระคุณที่เหนือกว่าพระคุณของบิดามารดาของครูบาอาจารย์ในโรงเรียนถ้าจะเรียงลําดับก็พระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มาที่หนึ่งพระคุณของบิดามารดามาที่สองพระคุณของครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนต่างๆมาที่สาม แต่ไม่ว่าจะมีคุณมากคุณน้อยก็ถือว่ามีบุญคุณกับเราที่เราควรที่จะตอบแทนบุญคุณด้วยการบูชาทั้งสองแบบนี้แบบแรกก็อามิสสบูชาสแสดงความคารวะด้วยการกราบไหว้ด้วยการเอาของสักการะมาถวายมามอบให้เช่นดอกไม้ทูปเทียนเป็นต้น หรือวัตถุมงคลอะไรอย่างอื่นก็ได้ที่เราเห็นว่าสมควรต่อการบูชาเราก็เอาไปแสดงความความกตันยูกตเวทีความสมนึกในบุญคุณของผู้พี่มีพระคุณแก่เราเพราะการแสดงความกตันยูกตเวทีเป็นคุณสมบัติของคนดีนั่นเอง คนเราจะเรียกคนเราตัวเราว่าคนดีได้ต้องมีความกตัญญูกตเวทีถ้าไม่มีความกตัญญูกเตเวทีเราจะให้เรียกหรือต่อให้ใครมาตั้งว่าดีขนาดไหนมันก็ดีแต่ชื่อแต่ไม่ไม่ดีดีที่ตัวตัวไม่ดีตัวจะดีต้องดีด้วยความกตัญญูกตเวที ด้วยอวิชสบูชาด้วยปฏิบัติบูบชาเนี่เช่นความกตัญญูต่อบิดามารดาเราก็กราบไหว้ท่านเวลาพบท่านกราบเช้ากราบเย็นก็ได้นธรรมเนียมชาวพุทธเหล่านี้ก่อนนอนเราก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบบิดามารดา การกราบนี้เพื่อที่จะทำให้เราได้มีเวลาําลึกถึงพระคุณของท่านนั่นเองเพราะเราวันวันหนึ่งอาจจะยุ่งกับเรื่องราวต่างๆมากมายยุ่งกับเรื่องการทามาหากินเรื่องกับการแก้ปัญหาอะไรต่างๆอาจจะทำให้เราลืมคนที่มีบุญคุณกับเราก็ได้แต่ถ้าเรามีการกราบ ก่อนนอนมีการกราบหลังจากที่ตื่นขึ้นมาเราจะได้ไม่ลืมบุคคลที่สำคัญของเราเราจะได้คิดถึงจะได้คอยดูว่าท่านอยู่ดีกินดีหรือไม่ท่านขาดแคนต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราหรือไม่นั่นเป็นอุบายของการกราบไหวบิดามารดากราบไหวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปกราบที่หน้าท่านท่านอาจจะอยู่อีกบ้านหนึ่งอยู่คนอะาที่แต่เรากราบนี่เพื่อให้เราล้ำลึกถึงพระคุณเพื่อเราจะได้ไม่กลายเป็นคนอกตันยูคนที่ลืมบุญคุณของผู้อื่นเรียกว่าเป็นคนอกตันยูคนอกตันยูหรือคนเนโรคุณนี่ เป็นคนที่ไม่มีใครเขาคบค้าสมาคมด้วยเพราะเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรทำประโยชน์ให้กับเขาแล้วเขาก็ลืมบุญคุณเขาก็ดีไม่ดีนอกจากลืมแล้วยังเนรคุณอันนี้ผู้ที่จะเป็นคนดียิ่งจำเป็นจะต้องมีความกตัญญูกะตะเวที และการจะมีความกตัญญูกะตะเวทีได้ก็ต้องมีการบูชามีการล้ำลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณกับวิดาแารดาเราก็บูชาถ้าพบปะท่านก็กราบท่านมีขามีข้าวของอะไรมาฝากก็บูชาท่านด้วยของสิ่งของ เ, อเป็นเครื่องสักการะบูชา ส่วนการปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติบิดามารดานั่นเองเลี้ยงดูบิดามารดารับใช้บิดามารดาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติบูชาการกระทําต้องทําทั้งสองอย่างบูชาด้วยอามิสบูชาและบูชาด้วยปฏิบัติบูชาแล้ว เราก็จะได้เป็นคนที่เป็นคนดีใครเขาได้ยินได้ฟังได้รู้จักได้พบเห็นความกตัญญูของเราเขาก็ไม่รังเกียจที่จะคบค้าสมาคมกับเราไม่รังเกียจที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็จะต้องตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีความมีพระคุณกับเรา ถ้าเรามีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคนเราก็จะตอบแทนทันทีคนที่มีความกระตันอยู่จะเป็นอย่างนั้นนะจะเป็นคนที่มีคนยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้หวังอะไรเป็นผลเป็นการตอบแทนแต่อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าถ้าถึงเวลาก็เราก็จะตอบแทนบุญคนให้กับเขา และบางทีคนเราบางทีก็อาจจะมีการะสะดุดมีการล้มจากการเคยมีฐานะที่ดีอาจจะตกต่ำลงไปก็ได้แต่คนที่มีความกรตัญญูต่อผู้มีพระคุณถ้าเห็นผู้มีพระคุณตกทุกข์ยากเดือดร้อน ก็จะยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือทันทีถ้ามีความสามารถที่จะทำได้นี่แหละคือคุณสมบัติของคนดีคือความกระตัญยูกะตวเวทีถ้าไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่กราพ่อกราแ บ, บแม่ไม่เคารพพ่อเคารพแม่มีแต่ด่าด่าพ่อด่าแม่ทุบตี พ่อแม่เนี่ยคือคุณสมบัติของผู้มีความอากตาันอยู่หรือผู้มีผู้เนรคุณนะแล้วมีใครอยากที่จะไปคบค้าสมาคมกับคนแบบนี้บ้างช่วยเหลือเขาแล้วเดี๋ยวก็ถูกเขาทุบตีหรื อ, อประนามว่ากล่าวต่างๆบางคนด่าพ่อด่าแม่ด่ า, ดาผู้มีพระคุณเพราะ ไม่พอใจเพราะไม่ทาตามที่อยากให้อยากจะทำเช่นอยากจะได้นูน่นอยากจะได้นี่พอถูกปฏิเสธก็เกิดความโกรธขึ้นมาด่าได้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผู้มีพระคุณอันนี้เป็นสันดานของคนเลวของคนที่ไม่ควรจะครอบคราสมาคมด้วยเป็นเหมือนงูเห่า ใครกล้าเลี้ยงงูเห่าไว้ในบ้านบ้างเดี๋ยวเผลอไปเหยียบหางมันเข้ามันก็กัดออกนะนี่เป็นสันดานของสัตว์ ร, ร้ายเวลามันเจ็บเวลามันโกรธมันก็จะต้องตอบโต้ทันทีคนที่เป็นคนเคนรคุณคนอากตันอยู่ก็เป็นแบบนั้นเป็นแบบสิงสาราสัตว์เป็นสัตว์ ร, ร้ายไม่น่าที่จะ เลี้ยงดูเก็บไว้ใกล้ตัวเพราะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายถ้าเราอยากจะให้สังคมอยากให้โลกเขารู้ว่าเราเป็นคนดีเรามีความกตัญญูกะตะเวทีเราก็ต้องมีการบูชาด้วยอาิสบูชาและปฏิบัติบูบชา คนที่มีความกระตันอยู่กับเราเราพบปะกันก็เอาข้าวเอาของไปฝากกันวันเกิดวันอะไรสาคัญของเขาเราก็ลํำลึกถึงเขาหาของอะไรไปไปให้อันนี้เป็นเหมือนกับเป็นอามิสบูชาถ้าเขาเดือดร้อนขาดแคนต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องไปช่วยเหลือกัน บนใบัดรับใช้กันไปตามฐานะตามความสมควรต่อฐานะของเราและของเขาอันนี้เป็นพูดถึงการบูชากับบุคคลทั่วๆไปส่วนการบูชากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นการบูชาที่ที่มากกว่าที่ ที่เราจะบูชากับบุคคลทั่วๆไปการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าบูชาด้วยอามิสบูชาก็บูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเวลาเราไปวัดเรามักจะเตรียมดอกไม้ทูบเทียนไปแล้วเราก็ไปกราบไปจุดทูบเทียนกราบแสดงความความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ การเคารพนี้เพื่อการลำาลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้น นอกนั้นแล้วไม่มีใครที่จะมาช่วยให้เราหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไ ด, ด้หลุดพ้นจากความทุกข์จากความเศร้าโศกเสียใจต่างๆได้ถ้าเราได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจของพวกเรลานี้จะถูกกาจัดไปหมด พบชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันมาอย่างโชคโชนอย่างนับไม่ถ้วนก็จะมีวันมีการสิ้นสุดลงมีการยุติลงอันนี้แหละคือพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่และการที่เราจะรับพระคุณหรือ ต, ตอบแทนพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ก็จำเป็นต้องจะต้อง ทดแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะอามิสบูชานี้ไม่พอต่อการที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้การบูชาด้วยอามิสบูชานี้เป็นการแสดงความซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการแสดงความกตัญญูแสดงความคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แต่ไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้การที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เราต้องหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าจึงตัดไว้ว่าผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นแหละคือผู้บูชาเราตถาคตนะพระพุทธเจ้าบอกการดูแลพระพุทธการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงต้องดูแลด้วยการปฏิบัติบูชาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนทุกประการที่เราเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเอง พอการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้จะนำให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นจะเป็นผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมก็คือผู้ที่เห็นเราตถาคตเราจะได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอน เราจะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่พระนิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้พวกเราอยู่ในสังสารวัฏอยู่ในไตยพกตอนนี้มาเป็นมนุษย์ต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วอาจจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลก็ได้ถ้าปฏิบัติบูบชาถ้าไม่ปฏิบัติบูบชา ก็อาจจะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปนรกก็ได้นี่แหละคือความสำคัญของการปฏิบัติบูบชาถ้าได้ปฏิบัติบูบชาจิตใจจะสูงขึ้นจะเจริญขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นถ้าไม่ได้ปฏิบัติบูบชาจิตใจจะเสื่อมลงจะทุกข์มากขึ้น เสื่อมจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปนรกจึงต้องปฏิบัติบูบชากันถ้าต้องการให้มีความสุขความเจริญให้มีมงคลกับชีวิตของเราต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าการศึกษาคำสอนก็เป็นเหมือนกับการดูแผนที่ ดูทางที่จะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญในระดับต่างๆนั่นเองแผนที่ของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนที่เราศึกษากันหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็มาฟังเทศฟังธรรมวิธีที่สองก็อา่านหนังสือธรรมะที่คัดมาจากพระไตรปิฎก ต้องเป็นพระไตรปิฎกเพราะอะไรเพราะพระไตรปิฎกเป็นที่บรรจุพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแหล่งของความรู้ที่แท้จริงถ้าเป็นคําสอนของผู้อื่นนี้ต้องใช้เวลาพิสูจน์ก่อนว่าเป็นบุคคลแบบไหนเป็นผู้ เป็นพระอริยบุคคลหรือไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลนีถ้าเป็นพระอริยบุคคลก็เชื่อถือได้เพราะเป็นผู้ที่เห็นธรรมอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแต่ถ้าไปเรียนกับผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลอันนี้ก็ต้องอยู่ว่าท่านเอาคําสอนมาจากที่ไหนถ้าเอาคําสอนมาจาก ความคิดอ่านของท่านเองอันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าเป็นความคิดอ่านที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่เป็นพระอริยบุคคลแล้วคิดว่าไม่น่าจะเป็นคำสอนที่ถูกต้องถ้าไม่เป็นพระอริยบุคคลแต่เอาคำสอนของพระอริยบุคคลมาสอนก็ยังไม่ก็ยังใช้ได้อยู่เช่นอ้างอิงคำสอนของพระพุทธเจ้า ในพระสูตรต่างๆเรีนสอนมงคลลาสูตรมงคลสามสิบแปดมีอะไรบ้างเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเตสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตะมังอันนี้เป็นการเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนอีกทอดหนึ่งแปลว่าหนึ่งการไม่คบบัณฑิตการไม่คบคนผ่าน สองการคบบัณฑิตสามการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตน่ถ้าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ปัญหาของผู้เรียนจะไปรู้หรือไม่ว่ามาจากเป็นของพระพุทธเจ้าหรือไม่อันนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ก็ต้องไปเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนจะได้รู้ว่าท่านนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนหรือไม่จะได้รู้ว่ า, าตรงกันท่านอาจจะมาอธิบายให้ละเอียดขึ้นให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาคำสอนที่ตอนเองนึกคิดขึ้นมามาสอน แล้วถ้าเรารู้ว่ามันไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ควรที่จะเชื่อต้องเรียนจากพระธรรมคำสอนจากพระไตรปิฎกหรือเรียนจากพระอริยสงสาวกการเรียนจากพระอริยสงสาวกนี้ก็อาจจะยากต่อการรู้ว่าเป็นพระอริยสงสารกหรือไม่ แต่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเราได้เรียนจากพระไตรปิฎกก่อนแล้วพอได้ยินได้ฟังจากพระอริยสงสาวก็จะสอนตรงกันทุกอย่างไม่ขัดกับพระไตรปิฎกก็จะเชื่อได้ว่าท่านเป็นผู้รู้จริงจะรู้แบบเรียนจากพระไตรปิฎกเือรู้จากการปฏิบัตินั้นก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้อง อรอพิสูจน์ไปก่อนบางทีจะรู้ก็ตอนหลังจากที่ท่านตายไปแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์เวลาท่านตายไปแล้วกระดูกบางส่วนของท่านก็จะกลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาก็สแสดงว่าเราได้เรียนกับพระอรหันต์แต่ตอนที่เราเรียนนี่เรายังไม่รู้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก็รู้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตว่าน่าจะเป็นพระอรหันต์ เพราะคำสั่งคำสอนของท่านไม่ขัดต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่คือเรื่องเบื้องต้นต้องศึกษาคำสอนก่อนเห็นวิธีง่ายที่วิธีที่มั่นใจที่สุดของการเรียนรู้ก็คือไปเรียนจากพระไตรปิฎกดีกว่าแล้วไม่ต้องเรียนจบทั้งพระไตรปิฎกแลขอให้เราเรียนข้อสรุปของศาสนา เท่านั้นแหละมีสามข้อใหญ่ๆนี้เท่านั้นเองที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาประกาศพระพุทธศาสนานี้จะสอนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะมีกี่พระองค์มาตัดสโลแล้วเอาธรรมะที่ทรงตัดสโลมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกจะสอนเหมือนกันทั้งหมดทุกองค์เลอสอนเพียงสามข้อใหญ่ๆนี้เท่านั้นเอง คือหนึ่งสัปปะปาปัสสะอาการนังแปลว่าละาการกระทำบาป ท, ทั้งปวงกุศลสุะสัมปทาอย่างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสา จ, จิตประริโยดักปะนังการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เอตังบุตธานาซาสนังนี่คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ นี่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในวันมาคบูชาวันเพ็ญเดือนสามที่มีพ้าอาหารหันตสาวกหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปมาประชุมมามากราบมาแสดงอามิสบูชาต่อพระพุทธเจ้าและเลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า พระอาหารหันตเหล่านั้นจะไม่มีเป็นจะไม่ได้เป็นพระอาหารหันตอย่างที่ท่านเป็นกันอยู่ในในในเวลานั้นเนี่ยพระคุณของพระพุทธเจ้านี้มีพลังมากถึงแม้พระอาหารหันตจะอยู่ห่างไกลกันทั่วทุกสารทิศแต่ความล้ำลึกถึงพระคุณยิ่งใหญ่นี้ดึงดูดจิตใจของพระอาหารหันตสาว 1, ก1250รรูป ให้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนนำลึกถึงพระคุณบุคคลเหล่านี้ท่านบรรลุเป็นพระอาหันต์แล้วท่านไม่ต้องมีการปฏิบัติบูบชาไม่ต้องมีอามิสบูชาก็ไม่มีการเสียหายแต่อย่างใดแต่ความเป็นคนดีนี้ถึงแม้ได้จะเป็นพระอนันต์ก็ตามก็ยังไม่ลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณ ไม่ลืมพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยลืมบุญคุณของบิดาและมารดาของพระองค์หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งบุคคลแรกที่พระพุทธเจ้าลำนึกถึงก็คือพุทธมารดาผู้ที่ให้กำเนิดต่อเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่ต้องเสด็จสอนโคตไปเจวันหลังจากที่คลอดพระเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะออกมา พระพุทธเจ้าเจ้าชายเสดทจทัตถะพอได้บวชได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ลำลึกถึงพระคุณของพุทธมารดาจึงใช้พลังจิตของของพระพุทธเจ้านี้สอดส่องหาดูว่าดวงวิญญาณของพุทธมารดาอยู่ที่ไหนในเวลานั้ น, นก็ส่งคนพบว่าอยู่ในสวรรค์ฉันดูสิมั้งหรือฉันดาวเดึงเนี่ย พอทราบก็ติดต่อกันได้พอติดต่อกันได้ก็โปรดแสดงทำให้พุทธมารดาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งพันษาสามเดือนด้วยกันการแสดงทำโปรดเทวดานี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บินไปสวรรค์นั่างกายบินไม่ได้จิตใจที่บินไปได้ส่งกระแสจิตไปสวรรค์ได้ ไปติดต่อกับพวกดวงวิญญาณที่อยู่ในสวรรค์ได้แสดงทําให้กับพวกถวยเทพทั้งหลายได้แสดงทําให้กับพุทธมารดาตลอดระยะเวลาหนึ่งพันษาสามเดือนเก้าสิบวันด้วยกันจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบัน หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในอบายไม่ต้องไปชดใช้กรรมที่เคยทำมาในอดีตในอบายต่อไปและจะพ้นจากการมาเกิดในการมาพบภายในเจ็ดพบเป็นอย่างมากแล้วก็จะไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพเป็นภพของพรหมแล้วก็จะหลุดพ้นจาก รูปภพอรูปภพไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปนี่คือการทดแทนบุญคุณของผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีบุคคลใดในโลกนี้ที่จะยิ่งใหญ่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทั้งคุณธรรมอันสูงสุดคือพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสแสดงคุณธรรมอันสูงสุดด้วยความกตัญญูกะตะเวที ไม่ลืมบุคคลที่มีพระคุณต่อพระองค์ถึงแม้พระองค์จะได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตเป็นบุคคลที่สูงสุดในป่ยพก็ตามแต่บุญคุณของพุทธมารดาก็ยังอยู่ในจิตใจของพระองค์มาตลอดนี่คือคุณสมบัติของคนดีไม่ลืมบุญคุณของคนที่มีบุญคุณมีโอกาสที่จะทดแทนบุญคุณได้เมื่อไร จะรีบทดแทนทันทีเนี่ยรอเวลาถึงสามสิบห้าปีด้วยกันถึงจะมีโอกาสที่จะทดแทนบุญคุณของพุทธมารดาได้หลังจากที่ได้แสดงธรรมครบหนึ่งพรรษาก็มีการออกพรรษาก็เลยมีการรอรับเสด็จอยู่ที่เชิงบันไดสวรรค์ชิงบันไดของสวรรค์ ที่มีพญานาคทอดตัวมาตลอดทางบันไดลงมาวันนั้นก็เลยเป็นวันที่มีชาวบ้านมีพุทธบริษัทที่มีจิตศรัทธาที่จะใส่บาตรถวายให้กับพระพุทธเจ้าวันนั้นเราก็เลยเรียกเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณนะเราเรียกสั้นๆว่าวันตักบาตรเทโว อันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ลงจากสวรรค์มาโปรดมากลับมาอยู่กับชาวโลกเราแต่ความจริงการกลับมานี้ไม่ได้กลับมาด้วยทางร่างกายทางร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลามีแต่จิตใจที่พระองค์ได้ส่งส่งขึ้นไปสวรรค์ ยามดึกเวลาที่ทรงแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาทั้งหลายพระพุทธเจ้ามักจะแสดงธรรมโปรดในตอนดึกตอนบ่ายก็แสดงธรรมโปรดจัาาตถายาดโยมตอนค่ำก็แสดงธรรมโปรดพระภิกษุภิกษุณีในยามดึกเปัญญามที่สงบสงัดที่มนุษย์ทั้งหลายนอนหลับแล้วก็ทรงแสดงธรรมให้กับพวกเทพทั้งหลาย มีพุทธมาดาเป็นต้นเนี่ยร่างกายของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปสวรรค์ไปด้วยกระแสะจิตเนี่ยแต่เราก็ไม่เข้าใจเราก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้าเหาะลงมาจากสวรรค์เดินลงมาตามบันไดเทปเรียกบันไดทิพย์ที่มีพญานาคคาบอยู่สองด้านเนี่ย วัดวารามที่มีภูเขาก็เลยมักจะทำบันไดทิพนี้กันมีพญานาคมีมณฑบที่ประทับให้พระพุทธเจ้าประทับอยู่แล้วพอวันออกพรรษาก็จะไปรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเช่นวัดยาา น, นี้ก็มีมณฑบมีเขามณฑบมีบันไดสองรอย200ขั้นบันไดยพญานาคสองรอยขั้น พอวันออกพรรษาพระเนนก็จะเดินขึ้นไปบนเขากันตอนเช้ามืดแล้วพอสว่างก็เดินลงมาจากเขามารับบาทจากศรัทธาญาติโยมเป็นการลำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเอามาเตือนใจสอนใจไม่ให้ลืมเรื่องสำคัญคือเรื่องของความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณ พระพุทธเจ้าต่อพระพุทธมารดาพวกเราจะได้เอาไปเป็นตัวใช้เป็นตัวอย่างกลับไปดูแลพ่อแม่บ้างเลี้ยงดูพ่อแม่บ้างไปเองไม่ได้ก็ส่งเงินส่งทองไปส่งข้าวส่งของไปอย่าลืมพ่ออย่าลืมแม่เราได้ดิบได้ดีมานี่ก็เพราะมีพ่อมีแม่ให้กำเนิดกับเรา ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะเกิดมาไม่ได้เราจะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้เราจะพูดภาษาไทยไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อแม่คอยสอนให้เราพูดนี่บัะคุณของพ่อแม่นี้สําคัญมากไม่ควรลืมวันตักบาตรเทวานี่มีใครคิดถึงบุญคุณของพ่อแม่กันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดแต่ว่าอยากจะได้บุญเยอะๆเท่านั้นเอง เพราะเชื่อว่าเป็นวันสําคัญใส่บาทวันนี้แล้วจะได้บุญมากกว่าวันอื่นความจริงนี้ไม่ไม่ใช่เป็นความจริงใส่ใส่บาทวันไหนก็ได้บุญเท่ากันถ้าใส่ปริมาณเท่ากันเนีบุญจะมากจะน้อยไม่ได้อยู่ที่วันที่เราใส่บุญจะมากจะน้อยอยู่ที่ปริมาณของการทําบุญของเราทําบุญสิบบาท มันก็ได้สิบบาทไม่ว่าจะเป็นวันตักบาทเทโอหรือวันวันวันอื่นมันไม่ได้อยู่ที่วันวันนั้นหรือวันนี้อยู่ที่ว่าทามากหรือทาน้อยทำสิบบาทย่ำได้บุญน้อยกว่าทำร้อยบาทอันนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ลองไปทดลองดูถ้าทำบุญมาก ก็รอมุดอวันตักบาทเทวค่อยมาทํานี่ยทำสิบบาทแล้วได้เท่ากับทำล้านบาทก็ได้บุญมากในวันนั้นก็รอไปทำวันนั้นวันเดียวก็พอเนี่ยอาจจะเป็นความคิดของคนที่เข้าใจผิดก็ได้หรือคนที่ตนหนีก็ได้คนที่เสียดายเงินทองไม่อยากจะเสียเงินแต่อยากได้บุญแต่ไม่ยอมลงทุน ม ค, คนไปซื้อของอยากจะซื้อของถูกๆแต่อยากจะได้มากๆเงียก็ต้องไปรอซื้อของที่เขาทิ้งแล้วเท่านั้นน่ะของที่เสียแล้วเนี่ยไปซื้อของถูกของได้มากแต่ความจริงมันต้องมีเหตุมีผลทำสิบบาทมันจะได้บุญร้อยบาทได้อย่างไรทำสิบบาทมันก็ต้องได้บุญสิบบาททำร้อยบาทมันก็ต้องได้บุญร้อยบาท ในคนคนเดียวกันนะนี่เราไม่ไปเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับอีกคนหนึงนี่เป็นคนละเรื่องเป็นคนละเรื่องเพราะอะไรเพราะว่ามันคนที่มีเงินมากกว่าเราเวลาเขาทําเขาจะได้ความสุขเท่ากับเราเนี้บางทีเขาต้องทํามากกว่าเราเพราะเขาตัวใหญ่กว่าเรา เหมือนหนูกินข้าวกับช้างกินข้าวเนี่ยไม่กินไม่เท่ากันหนูกินแค่ช้อนเดียวก็อิ่มแต่ช้างห้ามันกินช้อนเดียวมันไม่รู้สึกอะไรมันต้องกินสักครึ่งถังหรือถังหนึ่งถึงจะรู้สึกว่าอิ่มคนที่มีร้านหนึ่งเนี่ยต้องทำสมมติว่าทำแสนหนึ่งละเท่ากับทำร้อยละสิบเนะคนที่มีหมื่นหนึ่ง ทำร้อยละสิบก็ทำแค่พันเดียวก็ได้ความอิ่มเหมือนกันปริมาณที่เข้าไปในใจของคนมีมากกับคนมีน้อยมันมันมีขนาดคนละขนาดเหมือนท้องของช้างกับท้องของหนูมันคนละขนาดกันช้างก็ต้องกินข้าวมากถึงจะรู้สึกอิ่มหนูก็ไม่ต้องกินเท่ากับช้างกินกินตามปริมาณของท้องของหนู อันนี้ก็เหมือนกันสําหรับคนสองคนถ้าเปรียบเทียบถ้าคนมีล้านหนึ่งเขาทําแสนหนึ่งได้ความสุขคนที่อยากจะได้มีความสุขเท่ากับคนทําแสนหนึ่งแต่มีแค่หมื่นเดียวนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปหาเงินแสนมาทําถึงจะได้ความสุขเท่ากับคนที่มีเงินล้านทําคนที่มีเงินหมื่นทําเพียงพันเดียวก็ได้ความสุขเท่ากับคนที่ทําแสนหนึ่ง ได้สวรรค์ชั้นเดียวกันสวรรค์มีหกชั้นชสวน์ชั้นจาตุมดาวดึงยามะดูสิตนิมานปารณิมนี่ฮะก็ไปคนทำงานทำบุญพันหนึ่งกับคนทำบุญแสนหนึ่งก็ได้ไปสวรรค์ชั้นเดียวกันเชื่อไหมเพราะความอิ่มใจมันเท่ากัน ความสุขใจมันเท่ากันเหมือนกันหนูกินข้าวแค่ช้อนเดียวก็อิ่มเหมือนกับช้างกินข้าวถังหนึ่งอันนี้เปรียบเทียบไม่ฟังถ้าเรามาเปรียบเทียบกับคนอื่นนี้มันต้องดูขนาดของท้องของแต่ละคนคือขนาดของเงินของแต่ละคนว่ามีมากมีน้อยแล้วเราดูที่สัดส่วนที่เขาแบ่งไปทำดังนั้น ถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นนี้เราเปรียบเทียบด้วยจำนวนเงินไม่ได้เราต้องเปรียบเทียบด้วยสัดส่วนของเงินที่เขาทำ เ, าเขาทำสิบเปอร์ซนคนนี้ทำสิบเปอร์ซนก็ได้บุญเท่ากันแต่สิบเปอร์ซนของคนนี้กับสิบเปอร์ซนของคนนี้ไม่เท่ากันสิบเปอร์ซนของคนล้านหนึ่งก็แค่หมื่นแส0หนึ่งสิบเปอร์ซนของคนหมื่นหนึ่งก็มีแค่พันเดียว แต่ความอิ่มใจสุขใจที่ได้เหมือนกันเพราได้ทำสัดส่วนเท่ากัน อ, อันนี้เดี๋ยวพูดแล้วจะงงคงไม่งงแต่ถ้าคนคนเดียวกันกินข้าวชามหนึ่งกับกินข้าวสองชามอันไหนจะอิ่มกว่ากันใช่ไหมถ้าเราทำบุญสิบเปอร์เซนกับทำบุญยี่สิเปอร์เซนอันไหนจะดีกว่ากันอันไหนจะมากกว่ากันความสุขใจอิ่มใจอันไหนจะมากกว่ากัน อันนี้เราดูที่ตัวเราคนเดียวเราดูตรงนี้ดูที่ปริมาณที่เราทำมากทำน้อยแต่ถ้าเราเปรียบกับคนอื่นเราต้องดูในสัดส่วนหรือในเปอร์เซนต์ของทรัพย์สินที่เราแบ่งไปทำว่าเราแบ่งไปเท่าไหร่แบ่งไปร้อยละสิบแบ่งไปร้อยละยี่สิบมันต่างกันของคนที่มีล้านกับคนที่มีแสนนี่มันต่างกันต้องดูที่สัดส่วน ถ้าทำร้อยละสิบเท่ากันก็ได้ความสุขระดับเดียวกันได้สวรรค์ชั้นเดียวกันถ้าเป็นดาวดิงก็ดาวดึงด้วยกันแต่ถ้าคนคนเดียวถ้าทำร้อยละสิบได้ดาววดึงถ้าทำร้อยละยี่สิบจะได้ดุสิตจะได้สูงขึ้นเปรียบเทียบไม่ฟังเดี๋ยวจะหาว่าเรามาสนับสนุนธรรมกาย อันนี้เราไม่รู้จักธรรมกายไม่เคยไปสนใจไม่เคยไปศึกษาแา่ศึกษาจากการปฏิบัติตับความรู้สึกที่มีอยู่ในใจนี่แหละแล้วกับความกับคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมาเปรียบเทียบกันแล้วมันไม่ขัดกันเราก็เราก็ปักใจเชื่อได้ทันทีอย่นีน้คำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมั่นใจก็ต่อเมื่อได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัติ พอปฏิบัติแล้วทีนี้ก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตแต่ถ้ายังไม่ปฏิบัตินี้ก็ยังอาจจะไม่มั่นใจก็ได้เช่นญาติโยมนี้ยังอาจจะกังขาอยู่ว่าทำบุญสิบาทกับร้อยบาทนี้บุญมันต่างกันยังไงเพราะญาติโยมยังไม่เห็นผลของบุญที่เกิดขึ้นในใจแต่ถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็จะรู้ก็ลองสังเกตลองพิสูจน์ดูได้เนี่ยลองทาบุญสิบาทกับทาบุญร้อยบาทดู ดูซิว่ า, ากิเลสที่มันที่มันหวงเนี่ย ม, มันเราเอาชนะมันได้นี่แล้วเป็นยังไงสองจิตสองใจทำเท่าไหร่ดีพอ <laughs> <laughs> เอาเอาให้มันหมดไปเลย <laughs> กระเป๋าโอ้รู้สึกล่องใจสบายใจหิมใจสุขใจทำไปแค่สิบยี่สิบแล้วรู้สึกแคเหมือนก็นไม่ได้กินอะไรเหมือนก็นไม่ได้ทำ อันนี้ต้องลองทำดูแล้วถึงจะรู้ทำมากแล้วจะมีความสุขใจมากทำแล้วอย่าไปหวังผลจากอะไรทั้งนั้นอย่าไปหวังว่าจะได้ล่ำได้รวยจะได้มีคนประกาศมีคนนําหน้าถือตาเนี่ยบางคนทำบุญแล้วต้องประกาศชื่ออย่างเงี้ยถ้าไม่ประกาศชื่อแล้วจะรู้สึกว่าไม่ได้บุญ อันนี้ไม่ได้เป็นการทำบุญแล่ะเป็นการขายตัวขายชื่อเสียงของตัวเองว่าฉันมีชื่อนี้นะคนนี้ทำบุญแค่นี้นะอันนี้ไปติดอยู่กับชื่อละไม่ได้ไปติดอยู่กับบุญบุญต้องอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสุขใจอิ่มใจในหลวงท่านถึงบอกว่าให้ทำบุญปิดทองหลังพระนี่ได้บุญมากกว่าไม่มีใครรู้ เพราะเราไม่ต้องการให้ใครรู้เราทำบุญไม่ได้ทำบุญเพื่อชื่อเพื่อหน้าตาเราทำเพื่อจิตใจเพื่อความสุขใจความอิ่มใจยิ่งคนไม่รู้ยิ่งมีความสุขใจอิ่มใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยถ้าทำบุญมากๆเขารู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวมา เ, เหมือนมแมลงมามาตอมเลยเดี๋ยวมดขึ้นนะพอน้าตาลอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมดนันตามาขึ้นมเดี๋ยวคนนุ้นก็มาขอคนนี้ก็มาขอ พอเห็นว่าร่ำรวยทำบุญได้เยอะอก็จะมาขอความช่วยเหลือต่างๆนาน า, นาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เดี๋ยวก็กลายเป็นกลายเป็นเหยื่อให้เขาหลอกเขาต้มไปโดยไม่รู้สึกตัวถ้าปฏิเสธก็จะรู้สึกไม่สบายใจถ้าไม่ปฏิเสธก็กลัวเดี๋ยวจะถูกหลอกถูกต้มเนี่ยเห็นทำบุญแบบไม่มีใครรู้ดีกว่าถ้าเขาคิดว่าเรายากจนไม่มีเงนินไม่มีทองทำบุญดีกว่า เขาจะได้ไม่มารบกวนเราไม่มาขอเราไม่มาคอยป้นคอยจี้เราถ้าทําบุญแล้วประกาศชื่อทําบุญหนึ่งล้านโอ้ขอรู้แล้วนี่ เ, เจ้านี่มีเงินเยอะเดี๋ยวก็อาจจะตามไปที่บ้านแล้วบ้านอยู่ที่ไหนต่อไปไปคอยเฝ้าดูวันไหนไม่มีใครอยู่บ้านก็ปีนเข้าบ้านขโมยข้าวของไป mm hmm. ทำบุญไม่ได้ทำเอาหน้าเอาตาไม่เอาชื่อเอาเสียงแต่ถ้าเป็นทางวัดหรือทางผู้ที่เขาต้องทำบัญชีเขาต้องจดชื่อไว้ก็ให้เขาจดไปแต่เราไม่ได้ต้องการที่จะประกาศหรือให้ใครรับรู้แต่บางทีเขาอาจจะต้องมีการจดบันทึกชื่อของผู้บริจาคไว้ขอชื่อก็ให้เขาไปถ้าเขาจะประกาศถ้าบอกเขาว่าอย่าประกาศได้ไหมถ้าเขาไม่ประกาศก็ดีไป ถ้าเขาจะประกาศก็ให้เขาประกาศไปแต่เราไม่ได้ยินดียินร้ายกับการประกาศชื่อของเราบางคนทำแล้วนั่งรอคิวฟังชื่ออยู่เมื่อไหร่มันจะมารอไม่มาเดี๋ยวต้องไปถามเขาพี่ตกชื่อฉันตกหายไปนะอันนี้ทำบุญแบบเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงไม่ได้ทำเพื่อเอาสวรรค์เอาความอิ่มใจสุขใจนะ ทานที่จะสุขใจอิ่มใจกับวุ่นวายใจขึ้นมาเสียกตกสวรรค์ลงมาโดยม่รู้สึกตัวถูกกิเลสถูกกิเลส ก, ก็ช่างหลงจากสวรรค์มาถ้าทำบุญด้วยกิเลสแล้วมันไม่ได้ขึ้นสวรรค์มันจะถูกกิเลสดึงออกมาแล้วมันจะไม่ทำบ่อยหรอกคนพวกนี้ทาแบบเอาหน้าเอาตาต้องรอจังหวะรอมีเหตุการณ์เมื่อถ้าทาได้หน้าได้ตาก็จะทา แต่ถ้าไม่ได้หน้าใน้ตาก็จะไม่ทํากันเออคนเราต้องทําทุกวันทําเพราะบุญนี่มันเป็นเหมือนอาหารของใจเช่นใส่บาททุกวันทําทุกวันมันง่ายกว่ารอนานๆทําทีนานๆ ท, ทํน า, นนาน ท, ทีเวลาจะทําแล้วมันเสียดายเพราะจะต้องถ้าจะทําเท่ากับใส่ทุกวันมันก็ต้องทําหลายหลายเท่าด้วยกันเช่นเราทําบุญใส่บาทวันละยี่สิบเนี่ยเดือนหนึ่งก็หกร้อย ถ้าเรามารอเดือนหนึ่งทำทีละหกร้อยมาก็รู้สึกจะมากจะเสียดายก็จะเอาแค่ร้อยเดียวก็พอนะเหมือนก็จะได้ไม่ได้บุญมากเท่ากับคนที่ทําทุกวันทําทุกวันมันง่ายแล้วมันจะติดเป็นนิสัยด้วยแต่ถ้าทํารอรอนานๆ ท, ทําทีรอวันเกิดรอวเงนเินเดือนออกค่อยทำํำพอเงินเดือนออกแล้วเดี๋ยวมันมีรายจ่ายอย่างอื่นเข้ามาแย่ง อยากจะไปซื้อนู่นอยากจะไปซื้อนี่นขึ้นมาก็จะเสียดายก็ไม่อยากจะแบ่งมาทำบุญทำทานเนละวิธีกำจัดความตนิวิธีป้องกันการไม่ได้ทำบุญก็คือต้องบังคับให้มันทำทุกวันเนี่ถ้าอยู่ในที่ที่ไม่มีพ้ามาบิณฑบาตก็เอาเงินใส่กระปุกไว้ก็ได้แต่ห้ามเอาไปเปิดแกะมาใช้นะถือว่าไม่จะเป็นของเราแล้ว เป็นของบิณฑบาตของพระของวัดนะพอมีเวลาว่างก็เอาเงินที่ใสก่กระปุกนี้ไปวัดไปถวายพระก็ได้เขาให้ทำทุกวันเพราะมันจะทำให้ง่ายมันจะทำแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปวันไหนไม่ทำแล้วจะรู้สึกขาดอะไรไปคนเคยใส่บาตรทุกวันวันไหนตื่นสายใส่บาตรไม่ทันพระบางทีต้องขับรถมาที่วัด มาใส่ที่บ้านใส่ที่วัดเพราะรู้สึกว่าขาดอะไรเคยทําแล้วพอมันไม่ได้ทําแล้วรู้สึกว่ามันขาดเหมือนคนเคยกินอะไรแล้วไม่ได้กินแล้วมันจะรู้สึกว่ามันขาดะทําอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราเออถ้าเราไม่เม่อไม่มั่นใจว่าเราจะทําบุญได้มากๆเราก็เอาทําแบบเก็บเล็กผสมน้อยไปเ อ, อ อย่ารอวันสําคัญแล้วค่อยมาทําแล้วบอกจะทํามากๆพราถึงเวลาจะทําจริงๆกิเลสมันจะมาแย่งกิเลสตัณหาความตันหนีต่างๆมันจะบอกเฮ้ยทำมาเยอะแยะไปทํำไ ม, มแบ่งมาทําซื้อนู่นกินนี่นีน่กินบ้นางดีกว่าเออเดี๋ยวไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่ดีกว่าเดี๋ยวก็เลยอะแทนก็ตอนต้นกะกจะทําเยอะๆพอถึงเวลาทําจริงๆเหลือนิดเดียว บุญนี่สําคัญนะเพราะบุญนี้แหละที่จะพาให้เราไปสวรรค์กันถ้าเราไม่ทําบุญถึงแม้เราไม่ทําบาปก็ไม่ได้ไปสวรรค์การไม่ทําบาปนี้เป็นการห้ามไม่ให้เราไปอบายแต่เราจะไปสวรรค์ไม่ได้จะไปสวรรค์ได้ต้องทําบุญด้วยแล้วก็ไม่ทําบาปด้วยต้องทำสองอย่างถ้าทําบุญกับทําบาปเดี๋ยวบาปกับบุญมันจะต้องมาแย่งด ว, วงวิญญาณของเรา อันไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงเราไปทางนั้นถ้าเราทาบาปมากกว่าทาบุญเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะถูกบาปดึงไปเกิดในอบายถ้าทาบุญมากกว่าทาบาปดวงบุญก็จะดึงดวงวิญญาณไปสวรรค์เนี่ยเราถึงทำไมควรจะทาบุญทุกวัน เพราะทบุญทุกวันนี้มันจะทําให้เราสะสมบุญมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราจะรอวันสําคัญวันเกิดค่อยทําสักครั้งหนึ่งนี่พอถึงวันเกิดมันจะทําไม่ได้มากเพราะมันจะเสียดายเงินทาไปทุกวันดีกว่าแล้วพอสิ้นปีนี่โอ้จะได้ต้องเยอะแยะเดือนหกร้อยปีน้องเจ็ดแปดพันเกือบจะถึงหมื่น พอถ้าให้รอทาวันเกิดที่เจ็ดปดพันนี่ก็คิดหนักเหมือนกันเสียดายนี่คือเรื่องของการปฏิบัติบูบชาต้องทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ปฏิบัติสมขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งให้ปิดประตูวายก่อนละการกระทาบาปจะได้ไม่ตกใบต่ำเป็นมนุษย์รักษา รักษาศีลห้าได้ไม่ทำบาปได้ก็จะเป็นมนุษย์ได้แล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่ามนุษย์ก็ให้ทำบุญทำทานแล้วถ้าอยากจะสูงกว่ามนุษย์อยากจะสูงกว่าเทวดาจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาด้วยการรักษาศีลห้าทำบุญทำทานถ้าจะไปเป็นพรหมก็ต้องรักษาศีลแปดแล้วก็ไปฝึกนั่งสมาธิแล้วถ้าอยากจะไปเป็นพระอริยเจ้า ก็ต้องอศึกษาธรรมะคำสอนให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์ก็จะไปเป็นพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์และไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไปนะนี่คือขั้นตอนของการทำบุญ และการกระทำบาปปิดประตูบ่ายสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมเพื่อที่จะได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดเพื่อที่จะได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมและสวรรค์ของพระอริยบุคคลตามลำดับต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติบูบชา ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตนีไม่มีการบูชาชนิดไหนที่จะวิเศษเท่ากับการปฏิบัติบูบชาและต้องบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นบูชาบิดามารดาก็ไปได้แค่สวรรค์บูชาครูบาอาจารย์ก็ไปได้แค่สวรรค์ชั้นเทพถ้าอยากจะไปสู่สวรรค์ชั้นพระอริยบุคคลไปสู่พระนิพพาน ก็ต้องปฏิบัติบูชากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคยศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนสอนให้ละการกระทําบาปทั้งปวงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทําละใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วรับรองได้ว่าพระนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เกวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิจโตุสัพเปุเรนูตสังกปาจันโทปนะราโสยตามณีโชติอาราโสยตาสัพพิติโยวิวัชานตุ สัพพโรโควินาศตุมะเตภวัตวันตรายุสุขิทีคายุโกภวะภิวัตนาสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจัตารโหธามาวทานติอายุวันโอสุขังภาลัุ ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเลิกประชุมแล้วจะของดรลับคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านติดตามเท่าไหร่ ค่ะวันนี้ทาง facebook 3มร้อยยี่สิบสองยูทยแปหวิดิโออนไลน์24ผู้รับฟังบนเขาสาสิเอดรวมหกร้อยาท่านค่ะโอเคที่นี้ไม่มีคําถามก็าทางบ้านเลยค่ะมีผู้รับฟังบนเขาฝากถามนะคะจะรบกวนหลวงพ่ออธิบายสัพเพธรรมาอนัตตาค่ะ คำว่าสัพเพก็คือทั้งทั้งหลายทั้งปวงทรมาก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกทานนี้โลกทานนี้ก็มีท ร, รมาจากธาตุทั้งหกนี่คือธาตุดนินน้ำลมไฟธาตุรู้แล้วก็อากาศธาตุของพวกนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธรรมชาติ ดินก็เป็นธรรมชาติน้ำก็เป็นธรรมชาติลมไฟก็เป็นธรรมชาติอวกาศก็เป็นธรรมชาติธาตุรู้ก็เป็นธรรมชาตินะตัวตนไม่มีตัวตนเกิดจากการสมมุติปรุงแต่งขึ้นมาของธาตุรู้เท่านั้นเองธาตุรู้คือใจของพวกเราที่เรามาคิดมาเล่นละครกันมาสมมติกันว่าฉันเป็นเธอเธอเป็นฉันฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ อันนี้เป็นการเขียนบทละคระเหมือนเวลาเราเล่นละครเราต้องเขียนบทใช่ไหมต้องมีพระเอกอจเจ้าใครมาเป็นพระเอกดีนางเอกจเจ้าใครมาเป็นนางเอกดอีบ้านหลังนี้จะให้เป็นของใครของเธอแล้วของฉันก็ตั้งกำหนดกันขึ้นมามีฉันก็ต้องมีเธ อ, อพอมีร่างกายเราก็เลยมาสมมุติว่าร่างกายนี้เป็นฉันร่างกายของเธอก็เป็นเธอขึ้นมา แต่ความจริงร่างกายมันก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊ ก, กตามันก็เป็นรรมตุ๊ ก, กตามันก็ทำมาจากวัตถุต่างๆเช่นพลา ส, สติกอะไรที่มาทำมันมันไม่มีตัวตนฮะร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวตนท่านถึงบอกสัพเพธรรมานาตาของทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกที่เราอยู่กันนี่ ที่สัมผัสด้วยรูปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่มีตัวตนตัวตนเกิดจากการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองตัวจริงไม่มีตัวตนไม่มีคนที่พูดอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีตัวตนคนที่พูดอยู่นี้คือสังขารความคิดปรุงแต่งแล้วก็สั่งให้ปากคือร่างกายที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟนี้พูดออกมาเป็นเสียงเท่านั้นเอง ไม่มีตัวตนทุกอย่างไม่มีตัวตนแล้วทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่าธาตุเดิมร่างกายนี้พอตายไปมันก็แยกาธาตุกันไปาธาตุดินน้ำลมไฟที่มารวมกันาธาตุรู้ที่มารวมก็ไปคนอาทิตย์คนละทางทาธาตุรู้ก็กลับไปสู่โลกทิพย์าธาตุดินน้ำลมไฟก็กลับไปสู่ดินดินก็กลับไปรวมกับดิน น้ำก็ไปกับน้ำลมก็ไปหาน้ำลมก็ไปหาลมไฟก็กลับไปอยู่กับลมไฟเนี่ยมันกลับไปสู่ที่ตั้งเดิมของมันแล้วเดี๋ยวมันก็มารวมกันใหม่เพราะมันมีเหตุการณ์มีมีพลังทางธรรมชาติเห็นไหมเช่นยกตัวอย่างเนี่ยความร้อนมันก็ไปต้มน้ําให้ระเหยขึ้นมาในทะเลใช่ไหมพอน้ํานมันระเหยขึ้นไปมันก็กลายเป็นเมฆ พอมีลมพัดมาที่บนพื้นดินมันก็ตกลงมาเป็นน้ําฝนเอน้ําฝนมาตกมารวมกับดินเข้ามันก็เลยทาให้เกิดต้นมุ้งต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมาส่วนน้ําที่ตกลงไปในดินเดี๋ยวมันก็ซึมไหลลงไปสู่ลํลาน้ําลําทานแล้วมันก็ไหลกลับลงไปสู่ทะเลใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็ถูกแสงอาทิตย์ความร้อนต้มมันให้มันเดือดขึ้นมาใหม่ให้มันระเหยขึ้นมาใหม่ เป็นเมฆเป็นอะไรเป็นไว ม, มันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกอย่างทามาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายเราก็กินผักกินหญ้ากิกนกินข้าวกินเนื้อกินอะไรมันก็ทํามาจากดินน้ำลมไฟมาเป็นอาการสารสิบสองเป็นผมขนเล็บฟันพอตัดผมทิ้งไปมันก็กลายเป็นดินตัดเล็บทิ้งไปมันก็กลายเป็นดินไปฉี่ออกมามันก็กลายเป็นน้าไปเห็น มันก็แยกกันอยู่ตลอดเวลามีการรวมมีการแยกของธาตุสีนินน้ำนมไฟแต่เรามันถูกความหลงถูกสมมุติหลอกให้เรามาคิดว่าเป็นตัวเราของเราตัว ข, ของแม่เราของพ่อเราของพี่เราของน้องเราพอธาตุกลับคืนสู่ธาตุเดิมก็เลยร้องหม่มร้องไห้คิดว่าพ่อตายแม่ตายพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายตัวที่เล่นเป็นพ่อเล่นเป็นแม่ไม่ตาย ตัวที่เล่นเป็นพ่อเป็นแม่ก็กลับไปสู่โลกทิพย์เนี่ยก็คือธาตุรูน้นี่เราเรียกว่าดวงวิญญาณเนี่ยไปสู่โลกทิพย์แล้วเดี๋ยวก็ไปไปรวมกับธาตุสีอันใหม่ไปเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ได้พ่อแม่คนใหม่ได้พี่น้องคนใหม่แล้วก็มาร้องห่มร้องไห้กับเวลาจากกับพ่อแม่คนใหม่พี่น้องคนใหม่ไปมันก็เป็นอย่างนี้วนไปเวียนมาท่านถึงเรียกว่าเวียนไหว้าตายเกิด แต่ถ้าพอรู้พอรู้ว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นโรงละครเรามาเล่นตัวเล่นละครกันมาสแสดงบทตามกรรมที่เราเขียนที่เรากระทำกรรมเป็นผู้เขียนบทบาทให้เรามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาเป็นขอทานมาเป็นอะไรนี่ก็เกิดจากกรรมนี่แหละผู้เขียนบทถ้าเราไม่อยากจะมาเล่นละครเราก็เลิกเขียนบทเลิกทำกรรมต่างๆ ยุติการกระทําตามความอยากต่างๆมันก็จะไม่กลับมาเล่นละครอีกต่อไปไม่มารับเป็นตัวบทละครเป็นนั่นเป็นนี่มันก็จะเป็นคนดูคนดูสบายกว่านั่งดูเขาเล่นไปะเจิตรู้สักแต่วันรู้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนดูไม่แสดงไม่มีการไม่มีความอยากทํานูน่ทนทํานี่ไม่มีความอยากเป็นนูน่นเป็นนี่ก็ไม่ได้ขึ้นไปเวที แต่พออยากรับต้องขึ้นไปแสดงบนเวทีอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ก็ต้องขึ้นไปแสดงบนเวทีถ้าไม่อยากให้รู้เฉยๆก็นั่งดูเขาแสดงไปดูคนอื่นเขาแสดงไปคะคำถามจากคุณสุพันธ์ีไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดต้องดูแลแม่แม่อายุมากแล้วทำบุญกับแม่แทนได้ไหมคะก็ได้ก็บอกแล้วไงบอกให้ทำกับแม่ก่อนบุญรอเราอยู่ที่ ที่ในบ้านเราจะวิ่งหนีบุญไปหาบุญที่นอกบ้านทำไมทำบุญในบ้านเนี่ยแม่พอ่อแม่เป็นผ้าละหันเนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีจนท่านตายไปก่อนแล้วค่อยไปหาผ้าละหันนอกบ้านต่อไปถ้ายัางไม่ว่างต้องดูแลผ้าหาันในบ้านก็ดูแลไปได้บุญเหมือนกันทำบุญร้อยบาทกับพ่อกับแม่ที่บ้านกับทำบุญร้อยบาทกับพระที่วัดก็ได้บุญเท่ากันค่ะคถามจากคุณกิติยา หนูป่วยในระยะสุดท้ายหมอคอยเติมเลือดกับเกรดเลือดให้เพื่อประยุงตัวไว้ถ้าวันหนึ่งหนูไม่ได้รับเลือดแล้วร่างกายจะค่อยๆสุดลงโดยอาจเกิดภาวะหัวใจวายหรือไม่เลือดก็ออกตามสมองเป็นการตายที่ไม่ทรมานหมอให้ทางเลือกแบบนี้มาถามว่าถ้าหนูเลือกทางนั้นเท่ากับหนูฆ่าตัวตายไหมคะเพราะตอนนี้ร่างกายหนูเหนื่อยเหลือเกินคะ่ะพระอาจารย์อ๋อไม่หรอกเราไม่ได้ไป บีบคอเราแล้วเราไม่ได้ไปอุดจมูกเราไม่ให้มันตายอย่างนี้ไม่ถือว่าเพียงแต่เราไม่เลี้ยงมันร่างกายเป็นเหมือนตุ๊กตาหรือเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงที่เราเลี้ยงมันถ้าเราไม่เลี้ยงมันไม่ให้ข้าวมันไม่ให้น้ํามันเดี๋ยวมันก็อดตายไปร่างกายก็เหมือนกันเราไม่ได้เลี้ยงมันเดี๋ยวมันก็อดตายไปการไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เป็นการทําบาป เพียงแต่ว่าไมา่ไม่สามารถทำตามหน้าที่ได้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปแต่อย่างใดการที่เราจะไม่เลี้ยงดูร่างกายาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอาจารย์นอแค่80สก็พอไม่ไปไม่ไปลำบากลำบุญกับการเลี้ยงมันถ้าอยากจะอยู่ต่อพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้ถึงร2 0เปีแต่ต้องต้องพยุงมันต้องคอยสนับสนุนมันเป็นกั เป็นกรณีพิเศษกว่า ป, าปากติ <Hebrew. S 3> แล้วก็จะทำอะไรไม่ได้ประโยชน์มากก็ไม่ทำดีกว่าการอยู่ของพระพทเจ้าอยู่เพ <pounds. S 3> ื่อทำประโยชน์เมื่ออยู่เพื่อให้มันสักแต่ว่าอยู่ไปและแต่ไม่ได้ทำประโยชน์ก็เหมือนกับไม่ได้อยู่พระพุทธเ จ, จ้าก็เลยบอกไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปพยุงมัน <m uch ing> ปล่อย <m uch ing> ให้มันหมดสภาพไปตามธรรมชาติของมันร่าง <m uch ing> กายถ้าเราปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันก็ <Legend> ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตาย ไม่รักษามันนี้ไม่เป็นการฆ่าตัวตายถ้ากินได้ก็กินเดื่มได้ก็เดื่มหายหายใจได้ก็หายใจไปถ้าไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามตามวาระของมันอันนี้ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดก็สำคัญขอให้ใจเราปล่อยให้ได้ทั้งนี้ขอให้ใจเรามองว่าร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เป็นหมารับใช้ตัวหนึ่งหมาเลี้ยงตัวหนึ่ง ที่มันถึงเวลามันจะต้องเป็นเป็นไปก็ปล่อยมันเป็นไปตามเนื่องของมันแล้วเราจะไม่ทุกข์เราก็จะสบายถ้าทุกข์ก็พยายามทําใจให้สงบพุทโธพุทโธไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปเข้าสมาธิไปแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกาย คำถามจากคุณธนากรเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสังโยชนนี้ขาดแล้วแต่ละขั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นในใจครับก็เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกอะมันรู้ว่าเมื่อกี้แบกไอ้ของนี้ของหนักไว้ตอนนี้วางมันลงนะจะรู้ความแตกต่างกันระหว่างความหนักใจกับความเบาใจหรือความสุขใจกับความทุกข์ใจนั้นพระโวดาบัน การที่ยังไม่บรรลุนี้โอ้ทุกทรมานกับความเจ็บความปวดความตายของร่างกายพอปล่อยวางร่างกายได้ปั๊บไม่ทุกข์กับมันแล้วไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายมึงจะเจ็บก็ปล่อยมึงเจ็บไปมึงจะตายก็ปล่อยมึงเจ็บไปกูไม่ได้เป็นมึงแล้วเมื่อก่อนกูหลงคิดว่าเป็นมึงเมื่อก่อนหลงคิดว่าเป็นร่างกายพอร่างกายเจ็บก็เจ็บไปกับร่างกายพอร่างกายจะตายก็จะตายไปกับร่างกายทีนี้พอรู้ขึ้นมาว่า กูไม่ได้เป็นร่างกายกูเป็นตัวรู้ตัวคิดเนี่ยปล่อยร่างกายให้มันเป็นไปความหนักอกหนักใจความทุกข์ใจกับร่างกายก็หายไปหมดค่ะำถามเจคุณจิตสงบคนที่ภาว น, นานานแล้วทำไมพอกระทบกับอารมณ์แล้วถึงหยุดหงิด ง, ง่ายกว่าคนทั่วไปคะก็ไม่รักษาอารมณ์ไว้ต่อไม่รักษาจิตไม่จะไม่รักษาสติไว้ต่อ พอออกจากสมาธิมาก็เหมือนกับเปิดอคอกให้กิเลสมันออกมาวิ่งเลยก็ต้องปิดคลอกไว้ก่อนต่อไม่ใช่พอออกมาแล้วก็ไม่คอยควบคุมจิตไม่คอยควบคุมกิเลสออกมาก็ต้องคอยพุโทโธพุโทโธต่อคอยมีสติให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทํอะไรต่างๆถ้ามีสติพอเกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็ยับยั้งได้ทันที ถ้าไม่เกิดสติปล่อยป๊เหมือนเ่อยประตูให้หมาออกมันก็วิ่งออกมากัดคนเลยค่ะคำถามจากคุณพีโก ทำอย่างไรให้มีสติตลอดเวลาไม่ต้องมาบังคับใจให้คอยรู้ตัวครับพระอาจารยออ์ก็ต้องบังคับก่อนถ้าไม่มีสติก็ต้องบังคับให้มันมีสติการจะมีสติได้ต้องบังคับต้องบังคับใจให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทโธพุทโธหรืออยู่กับร่างกายคอยเฝ้าดูร่างกายทุกเวลาทุกิริยาบททุกการเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็จะทาให้มีพอบังคับไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะ มันก็จะเป็นอัตโนมัติไปเป็นธรรมชาติไปเป็นเหมือนกับไม่ได้บังคับคำถามจากคุณบุญพรฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านเดินจงกรมนึกถึงเท้าที่ย่างก็จะไม่ค่อยฟุ้งซ่านมีบ้างก็แต่น้อยเดินวันละสามสิบนาทีอยากกราบเรียนถามว่าเดินจงกรมอย่างเดียวไปก่อนได้ไหมครับได้เดินให้มากกว่าสามสิบนาทีเดินสักชั่วโมงสองชั่วโมง โดนอย่างกระทั่งมันเมื่อยมันอยากจะนั่งมันก็นั่งได้ง่ายถ้าเดินได้มากๆเดินได้นานๆจิตมันจะมีสติมากพอนั่งมันก็จะสงบได้ง่ายแต่ถ้าสามสิบนาทีมันยังน้อยไปนะบางสำนักเกาบังคับให้เดินสี่ห้าชั่วโมงเลยเดินไปทําไมเดินไม่ได้ก็เดินไปช็อปปิ้งทั้งวันทั้งคืนยังช็อปได้วะปา <laughs> <laughs> มาใหเดินจงกรมมันเดินไม่ได้อ <laughs> แต่ไม่วิ่งมาละทอนก็ยังวิ่งกันได้เนอพอมาให้เดินจงกรมนั่ไหนมันเดินไม่ได้ใช่ไหมเป็นอะไรออมันไม่ได้แบกไม่ได้เดินแบกของแบกหามอะไรเสียได้ซ้ำไปเดินตัวเปล่าเดินแบบสบายไม่บังคับให้เดินเร็วหรือเดินช้าเดินตามสบายเดินแล้วแค่มีสติอยู่กับการเดินเท่านั้นเองเดินไปเถิดแล้วมันจะทําให้อกิเลสมันอ่อนกําลังลงและเวลานั่งมันจะนั่งได้สบายนั่งได้นาน ห่าแล้วเลยมีใครอยากจะถามไหมนะการปฏิบัตินี้ตอนต้นต้องบังคับเหมือนกับโรงเรียนส่งเด็กไปโรงเรียนนี่ต้องบังคับให้ไปถ้าตามใจเด็กมันไม่ยอมไปโรงเรียนครับมันจะร้องถ้าตามใจแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปโรงเรียนแล้วพอไม่ไปโรงเรียนมันก็จะเสียนิสัยมันจะไม่ไป โตขึ้นมันก็จะโง่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ต้องบังคับการที่จะดึงจิตไาในทางที่ดีได้ต้องบังคับมันเพราะตอนนี้จิตมันชอบไปในทางที่ไม่ดีทางที่ไม่ดีไม่ต้องบังคับหรอกมีแต่ต้องคอยเบรคอยห้ามมันใช่แต่ทางดีนี้มันไม่ยอมไปจึงต้องบังคับมันต้องบังคับด้วยการใช้สตินี่แหละเป็นตัวบังคับสร้างสติขึ้นมาก่อน ถ้ามีสติแล้วก็จะบังคับให้ใจไปในทางที่ดีได้ถ้าไม่บังคับสร้างสติก็จะไม่มีเครื่องมือมาบังคับใจอีกทีหนึง่งเออต้องบังคับใจด้วยการสร้างสติขึ้นมาก่อนค่ะมีคำถามคุณธนากรนะคะกำลังฌานจะเข้าได้นานสูงสุดได้กี่วันครับและมีหรือเปล่าครับที่เข้าไปแล้วไม่มีการถอยออกจากฌาน ก็ตายไปไถ้าไม่ถอยออกจากฌานก็ตายไปบางผลบางคนอาจจะพระพุทธเจ้าเี่ยตอนจะตายก็เข้าฌานก่อนจะตายก็เข้าฌาน <c oughs> แล้วก็ไม่ออกจากออกจากฌานแต่ไม่ได้ตอนที่พระพุทธเจ้านิพพานนี้ <c oughs> เขาแสดงว่าท่านอยู่ระหว่าง รูปประชานกับรูปประชานตอนต้นท่านจะเข้าฌานข้าอารูปประชานหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปสู่อรูปประชานสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ถอยลงมาจาการูปประชานมาสู่รูปประชานกลับมาสู่จิตปกติแล้วก็กลับเข้าไปฌานใหม่พอถึงรูปประชานสี่พอจากรูปประชานสี่ก็ไม่ไปรูปประชานออก นิปายนิพานในช่วงระหว่างรูปฌปานกับรูปฌา น, นนี้คือการไปของพระพุทธเจ้าของพาอาระอรหันต์ท่านไปแบบนี้แต่พวกเรานี้มันไปตามกำลังของบุญของบาปถ้าถ้าไปถ้าเข้าฌานสีได้มันก็จะไปมันก็จะตายในระดับฌานสีได้ถ้ามันไม่ได้เข้าฌานมันอยู่ในอบายมันมันอยู่ในระดับอบายมันก็จะไปอบาย ถ้ามันอยู่ในระดับสวรรค์เทพชั้นเทพมันก็ไปชั้นเทพไปตามกําลังของบุญของบาปคําถามเจ้าคุณเจ้าป่าเจ้าที่เจ้าทางดูแลรักษาบ้านเรือนมีจริงไหมครับก็ถามเขาดูเดีเรามาถามนี่ทำไมเราไม่ได้เป็นที่นี่ไม่เห็นมีเจ้าป่าเจ้าที่เนี่ยก็อยู่กับป่าอยู่กับเขาก็มีแต่นกมีแต่อะไรเท่านั้นเอง แต่บางคนมาอยู่ที่นี่เขาบอกเขาเห็นนูน่นเห็นนี่ก็มีนะแต่เราไม่เคยเห็นนะบางคนมาอยู่ได้คืนเดียวก็ข อ, อกลับบ้านแล้วว่าอยู่ไม่ได้เนจะ้าที่ที่นี่แรงเข้ามาคำถามจ้าคุณพวินปลูกป่าได้บุญไหมครับปลูกป่าเองที่ว่าก็จะได้ได้บุญก็ได้เพราะเป็นการสร้างวัดเนะ วัดที่แท้จริงต้องเป็นวัดป่าถ้าปลูกป่าเพื่อให้มีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้บุญถ้าปลูกป่าเพื่อให้มันมีป่าเฉยๆมันก็ไม่ได้บุญอะไรมากนะเพราะมันไม่ได้เอามาทําประโยชน์ถ้าอยากจะได้บุญต้องปลูกป่าเพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมให้มีเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าของพาอาระอรหันต์ทั้งหลายนการปลูกป่านี้ก็เป็นเหมือนสร้างกุเิสร้างที่อยู่ให้พระ พราปฏิบัตินี้ท่านไม่ได้อยู่กุติแบบที่เราเห็นกันเนียท่านอยู่กุติแบบโคนไม้อยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่าหมดแล้วเหวรอโอเคคือจะเป็นบุญได้ต้องมีผู้รับประโยชน์จากการทำของเราถ้าทำแล้วไม่มีผู้ได้รับประโยชน์ก็ไม่ได้บุญนั้นถ้ามีผู้รับ ได้รับประโยชน์จากการกระทาของเรามันจะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเะนั้นก็ดูที่ใจของเราก็แล้วกันเวลาเราทำอะไรทำแล้วเราเกิดความสุขใจอิ่มใจเราก็ได้บุญขึ้นมายังไม่มีเข้ามานะยังยไม่มีก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันขอให้ท่านทั้งหลายจงนาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป Turn.